มาตรารูปิยะนี้สำหรับกาหนดตีราคาสินค้าใช้กหาปณะเป็นหลักมาตรามีแต่วิธีกระจายไม่มีวิธีผนวกมีรูปอย่างนี้ห้ามาศกเป็นหนึ่งบาทสี่บาทเป็นหนึ่งกหาปณะพึงรู้อธิบายอย่างนี้กหาปณะมีหลายอย่าง แต่กหาปณะในกรุงราชคฤห์รังทรงบัญญัติอธินาทานสิกขาบทนั้นเรียกนีละกะหาปณนะในคำภีทั้งหลายกล่าวว่าผสมทองห้ามาศเงินห้ามาศทองแดงสิบมาศบางก็ว่าเจอเหล็กหนึ่งเลเข้าบบางก็ไม่กล่าวถึงหลอมเข้าด้วยกันทำเป็นรูปและตีตราพิจารณาตามนัยานี้ เนื้อีละกะหาปณะ น, นั้นเป็นนาคน้ำหนักเท่าธารณะหนึ่งมาศในมาตรานี้ไม่เหมือนมาศในมาตราช่างของเป็นแต่ศักว่าชื่อติดมาแต่การกำหนดน้ำหนักแองรูปิยะในคำพีวิพังกล่าวว่าทำด้วยโลหะก็มีด้วยไม้ก็มีด้วยกรังก็มี ส่วนบาทนั้นไม่ปรากฏว่ามีรูปทำด้วยอะไรทำด้วยนาคอย่างเดียวกับกหาปณะนะหรือทาด้วยของอย่างอื่นหรือคงมีรูปแต่กหาปณ ะ, ะกับมาสกรูปแห่งบาทไม่มียังไม่ได้ความกระหาปณ ะ, ะนั้นถ้าเป็นทองคำแท้ก็คงเทียบราคากับน้ำหนักด้วยกันได้แต่นี่เป็นนาค พระอาจารย์ทั้งหลายเมื่อเทียบมาตราทองคําจึงลดเสียครึ่งหนึ่งและกล่าวไว้ว่าบาทหนึ่งนั้นให้เทียบทองคําหนักยี่สิบเล็กเข้าปเปลือกโดยในย่านี้สี่เล็กเข้าปเปลือกต่อหนึ่งมาส ก, กะให้ลงสันนิษฐานว่าครั้งรันาคมภีร์เหล่านั้นราคาทองแพงกว่าราคานาคเท่าตัว คำว่าเล็กข้าวก็คือมาเล็กข้าวนะครับแต่ข้าพเจ้ายังไม่แน่ใจว่านิลกะหาปณ ะ, ะทําด้วยนาคยังไม่เคยรู้ว่าในประเทศไหนครั้งโบราณก็ดีในปัจจุบันก็ดีได้ใช้นาคทําเป็นรูปียะมีแต่ใช้ทองล้วนเงินล้วนข้อที่ท่านให้เทียบด้วยราคาทองคํานั้น หลักแหลมอยู่ถ้าเข้าใจว่านีลักะหาปณะนะเป็นทองคำบริสุทธ์ล้วนหนักสิบมาศซึ่งกระจายเป็น80ิบเล็ดเข้าเปลือกหรือรวมเข้าหนักกึ่งทรณนะจะเข้ารูปได้ดีทีเดียวจะต้องผสมเงินผสมทองแดงให้มีน้ำหนักขึ้นอีกเท่าหนึ่งแต่เนื้อคลายลงเพื่อประโยชน์อะไร มาตราเหล่านี้แม้กำหนดเอาสิ่งที่เป็นอยู่โดยธรรมดาเป็นหลักเช่นอวัยวะคนและพืชก็ยังแพกกันได้เหมือนกันเช่นคนในประเทศหนึ่งกับประเทศอื่นขนาดก็ต่างกันแม้พืชก็ต่างกันเพราะเหตุนั้นท่านผู้ครองบ้านเมืองนั้นๆจึงต้องบัญญัติมาตราเหล่านั้นไว้เป็นหลักเพื่อคนทั้งหลายจะได้ถือตาม สำหรับตัดสินพิพาทกันด้วยเรื่องมาตรานี้เรียกว่ามาตราหลวงเช่นเราเรียกกันอยู่ว่าวาหลวงทนานหลวงหรือทนานตีตราอยู่ในประเทศใดควรถือมาตราหลวงในประเทศนั้นเป็นหลัก